สุราปานวัคที่6สีขาบทที่หนึ่งว่าเป็นปรจจิตีในพระดื่มสุราและเม่ไรในที่นี้ควรรู้อธิบายว่าน้าอันมีรสหวานเจืออยู่ทุกอย่างที่เป็นเองเช่นน้ำตาลสดที่เขาปรุงขึ้นก็ตามเมื่อล่วงเวลาแล้วรสหวานนั้นกลายเป็นรสเมาแรงหรืออ่อนตามรสหวานที่เจืออยู่มาก หรือน้อยนี้เรียกว่าเมรัยเป็นของที่เขาทำด้วยหมักหรือดองเมรัยนั้นเขากลั่นสกัดเอาน้ำออกเพื่อให้รสเมาแรงขึ้นตามแต่จะกำหนดว่าเท่าไหร่เป็นพอดีนี้เรียกสุรารวมทั้งสองอย่างนั้นเรียกมัชชะแปลว่าน้ำยังผู้ดื่มแล้วให้เมาตัดสั้นว่าน้ำเมา แต่ในสิกขาบทนี้เรียกตามประเภทไม่เหมือนในที่อื่นอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านว่าเป็นอจิตกะเพราะไม่มีคําบ่งเจตนาไม่เหมือนในสิกขาบทของสามเณรและของครอหอขัสฝ่ายภิกษุแม้สำคัญว่ามิใช่น้ำเมาดื่มเข้าไปก็คงเป็นอาบัตของอันมิใช่น้ำเมาแต่มีสีกลิ่นรส ดูดน้ำเมาเช่นยาดองบางอย่างไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัติน้ำเมาที่เจือในแกงในเนื้อหรือในของอื่นเพื่อชูรสหรือกันเสียแต่เล็กน้อยไม่ถึงกับเป็นเหตุเมาชื่อว่าอโภโหหาริกฉันหรือดื่มของเช่นนั้นไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่สองว่าเป็นปาจิตเตในเพราะ จี้ด้วยนิ้วมือในคำภีวิพังแกว่าภิกษุเป็นวัตถุแห่งปาจิตติอนุปสัสมบันิเป็นวัตถุแห่งทุกข์แต่ในสิกขาบทกล่าวเป็นกลางไม่ได้ระบุลงไปชัดเพราะคําว่านิ้วมือเอาของเนื่องด้วยกายจี้ท่านปรับเพียงทุกข์เมื่อตั้งเกณฑ์ว่าของเนื่องด้วยกายเป็นวัตถุแห่งทุกข์จี้บนผ้า ท่านก็ปรับเป็นทุกกฎอย่างเดียวกันไม่ได้มุ่งความหัวเราะมีกิจจับต้องกายของกันและกันไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่3ว่าเป็นปจจิตีในพระธรรมคือหัวเราะในน้ำธรรมคือหัวเราะในน้ำนั้นหมายเอาเล่นน้ำในคำภีวิพังถือเอาน้ำพ้นข้อเท้าขึ้นไปเป็นวัตถุแห่งปจจิตี แต่ไม่สมกับแสดงประโยคไว้ว่าดำลงผุดขึ้นวหว้ไปเพราะน้ำพ้นข้อเท้าแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มีข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าน้ำลึกพอที่จะดำได้มิดตัวลึกพอที่จะวหว้ได้สะดวกจึงเป็นวัตถุของประจิตีอันหนึ่งการเล่นในเรือท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกก์ ถ้าเพลงว่าเป็นประเภทหนึ่งจากการเล่นน้ำก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เป็นกิริยาที่จะต้องป้องกันมากกว่าและให้โทษได้มากกว่าถ้าจะยกสีขาบทนี้ขึ้นปรับก็ดูไม่มีอะไรขัดขวางเอามือวักน้ำเอาเท้าแกว่งน้ำเอาไม้ขีดน้ำเอากระเบื้องป่าน้ำเล่นท่านกล่าวว่าเป็นทุกกฎชอบแล้วน้าตื้นไม่ถึงกาหนด เป็นปาจิตตีก็ดีน้ำในภาชนะก็ดีเป็นวัตถุแห่งทุกกฎภิกษุไม่ปรารถนาจะเล่นอาบโดยปกติจะดำให้เปียกทั่วตัวก็ได้มีกิจจะต้องทำในน้ำลงดำลงไหวเพื่อจะทำกิจนั้นก็ได้เรือล่มหรือคิดจะช่วยคนตกน้ำในอันตรายเช่นนี้ไม่มีปัญหาสิกขาบทที่สว่า เป็นปาจิติีในเพราะความไม่เอือเฟื้อในคำพีวิพังแก้ความไม่เอือเฟื้อเป็นสองอย่างไม่เอือเฟื้อในบุคคลหนึ่งไม่เอือเฟื้อใน ร, รมหนึ่งบุคคล น, นั้นมุ่งเอาผู้กล่าวสั่งสอนกล่าวเตือนทมนั้นมุ่งเอาบัญญัติและทำอันไม่ใช่บัญญัติถ้าอุปสมบันว่ากล่าวอยู่ด้วยบัญญัติคือข้อพระวินัย แสดงความไม่อื้อเฟือปรารบบุคคลก็ดีพระบัญญัติก็ดีต้องปัจจิตีเขาว่ากล่าวด้วยข้ออื่นจากพระบัญญัติแม้ว่าผู้นั้นเป็นอนุปรัสมบันท่านว่าต้องเพียงทุกกฏอนุปรัสมบัญท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎท่านคงหมายเอาสามเณรแต่ไม่น่าจะปรารบถึงเลยกล่าวชี้เหตุที่ประพฤติอย่างนั้นโดยหนว่า แต่รับแนะนำสั่งสอนมาจากอาจารย์อย่างนั้นไม่เป็นอาบัตสีขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะห้ามไม่ให้ภิกษุเป็นผู้ดื้อดึงได้รับคำแนะนำหรือตักเตือนแล้วให้แสดงความเอื้อเฟื้อถือเอาแต่การที่ถูกเป็นประมาณมหิมินบุคคลผู้พูดหรือข้อที่ยกขึ้นพูดประเพช่ น, นี้เป็นความดีงามสีขาบทที่5ว่า อันหนึ่งภิกษุใดหลอนภิกษุเป็นปาจิตติกิริยาว่า ห, าหลอนนั้นคือพูดก็ดีแสดงอาการอย่างอื่นก็ดีให้ตกใจกลัวผีพูดขู่ให้ตกใจกลัวโจรกลัวสัตว์ร้ายขัานนับเข้าในกิริยานี้เหมือนกันผู้ถูกหลอนจะตกใจหรือไม่ตกใจไม่เป็นประมาณหลอนอุปสัมบันต้องปาจิตติ หลอนอนุปสัสมบันต้องทุกกฎไม่ตั้งใจหลอนเล่าเรื่องปีศาจบอกข่าวโจรข่าวสัตว์ร้ายไม่เป็นอาบัตสีขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ใช่ผู้อาพาธมุ่งการผิงติดก็ดีให้ติดก็ดีซึ่งไฟเว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูปเป็นปาจิตเตคําว่าไม่ใช่ผู้อาพาทนั้นคือ ไม่ผิงไฟก็อยู่เป็นผาสุกได้คำว่าปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูปนั้นหมายเอาเหตุอย่างอื่นอันให้ต้องการติดไฟนอกจากการผิงเช่นตามไฟเพื่อใช้แสงสว่างในกลางคืนและติดไฟต้มน้ำเป็นต้นในที่อื่นทรงอนุญาตเรือนไฟเป็นที่อบกายอย่างวิธีเข้ากระโจมซึ่งใช้อยู่ในเมืองเราแต่ก่อนมา ในเรือนไฟนั้นใช้ไฟถ่านผิงได้ทั้งภิกษุผู้อาพาธทั้งภิกษุผู้ไม่อาพาธแต่ในสิกขาบทนี้ห้ามการผิงไฟแย้งกันอยู่ท่านจึงแก้ว่าติดไฟเป็นเปลวผิงต้องห้ามติดไฟถ่านใช้ได้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการห้ามผิงไฟในสิกขาบทนี้เพื่อจะกันไฟไหม้กุดีที่ทำด้วยไม้ และหมุงด้วยยาการผิงในที่ทำไว้สำหรับซึ่งเรียกว่าเรือนไฟห่างจากอันตรายเช่นนั้นจึงได้ทรงพระนุญาตสำเร็จความสันนิษฐานว่าผิงในเรือนไฟไม่เป็นอาบัติผิงในที่อื่นนอกจากเรือนไฟเป็นอาบัติเว้นแต่ภิกษุผู้อาพาธไม่อาจเว้นจากผิงไฟได้การติดไฟเพื่อกิจอย่างอื่นจาเป็นแท้จึงได้รับยกเว้น สิกขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใด ย, ยังหย่อนกึ่งเดือนอาบน้ําเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี้สมัยในเรื่องนั้นเดือนกึ่งท้ายฤดูร้อนเดือนต้นแห่งฤดูฝนสองเดือนกึ่งนี้เป็นคราวร้อนเป็นคราวกระวนกระวายคราวเจ็บไข้คราวทํำการงานคราวไปทางไกล พราวฝนมากกับพายุนี้สมัยในยเรื่องนั้นสีขาบทนี้ท่านว่าเป็นประเทศบัญญัตคือทรงตั้งไว้เฉพาะในมัธยมประเทศจังหวัดกลางแห่งชมพูทวีปเหตุต้นบัญญัตนั้นในนิทานกล่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคตจะเฉด็จลงสนามพระเศียดกล่าวในแม่น้ำตะโปธา พวกภิกษุไปอาบกีดขวางอยู่เสียจนคำํำแต่ในที่อื่นทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้เป็นนิดในปัจจันตะชนบทนอกเขตมัธยมประเทศตามความนิยมของพวกคนในชนบทเหล่านั้นอันถือว่าไม่อาบน้ำสกปรกเรื่องห้ามอาบน้ำนี้แปลกมากแม้ไม่เกี่ยวกับพวกเราผู้อยู่ในจังหวัดที่ได้อนุญาตก็น่าจะคิดหาเหตุ ธรรมเนียมของพราหมณ์เขาอาบน้ำวันหนึ่งถึงสมครั้งฝ่ายพวกภิกษุต่อกึ่งเดือนจึงอาบได้ห น, หนึ่งมิส ม, มมนักหรือข้าพเจ้าเข้าใจไปว่าสิขาบทนี้จะบัญญัติเฉพาะประเทศที่อัตคัดน้ำเฉพาะการที่กันดานน้ำเช่นในประเทศดอนในคราวฤดูแรงสิขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใด ได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ต้มก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีความมุ่งหมายของสิกขาบทนี้ในนิทานกับในตัวสิกขาบทเองแย้งกันอยู่ ในนิทานดูเหมือนทรงบัญญัติให้ทำเครื่องหมายเพื่อจะได้จำได้ว่าของตนส่วนในสิกขาบทเองเพ่งความให้เสียสีอนุโลมตามรูขับปฏิบัติคือประพฤติปอนใช้ของเศร้าหมองคำว่าถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นในอัตถกถาสอนให้จุดเป็นวงกลมใหญ่เท่าแววตานกยูงเล็กเท่า หลังตัวเลือดเรียกว่าทมพินทุ ก, กับปกักแปลว่าทำจุดกลมหรือดวงกลมข้อที่ท่านสอนให้จุดเป็นวงกลมนั้นเช่นเดียวกับวิธีขีดแกงได้อันคนเขียนหนังสือไม่เป็นใช้อยู่ในเวลานั้นพวกรักก็คงไม่สันทัดเขียนหนังสือเหมือนกันภิกษุได้จีวรใหม่ต้องทำหมายก่อนจึงนุ่งห่มได้เมื่อทำไว้แล้ว รอยหายสูญไปไม่ต้องทำใหม่เอาผ้าอื่นเย็ดติดกับจีวรที่ทำหมายแล้วไม่ต้องพินทุผ้าใหม่เพราะในศิกขาบทไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ทำได้แต่จุดหรือดวงถ้าต้องการสำหรับให้เสียสีเอาของสามอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งป้ายเข้าก็ได้ถ้าต้องการหมายให้จำได้แม้หมายเป็นตัวอักษรก็จะได้ เพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองทางทำอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเรื่องนี้ตกมาถือเป็นพิธีเสียจแล้วจึงไม่มีใครนึกมัวขีดแกงได้ดังสอนไว้ในอัจถกิาเรื่อยมาสิกขาบทที่9ว่าอันหนึ่งภิกษุใดวิกับจีวรเองแก่ภิกษุก็ดีแก่ภิกษุณีก็ดีแกนางสิกขมานาก็ดี แกสามเณรก็ดีแกนางสามเณรีก็ดีแล้วใช้สอยจีวรนั้นไม่ให้เขาถอนก่อนเป็นปาจิติีนางสามเณรีนั้นคือหญิงโดยมากอายุยังไม่ครบ20รับบรรพชาในสำนักภิกษุณีถือศีลสิบเหมือนสามเณรนางสิขมานานั้นคือนางสามเณรีนั่นเองแต่อายุถึง18แล้ว อีก2ปีจะครบกำหนดอุปสมบทภิกษุณีสงสวดให้สิกขาสมมุติคือยอมให้สมาทานสิขาบท6ประการตั้งแต่ปานาติปาตาเวรมณีจนถึงวิกาละโพชนาเวรมณุไม่มีเวลาล่วงเลยตลอด2ปีเต็มถ้าล่วงข้อใดข้อหนึ่งต้องสมาทานตั้งต้นไปใหม่อีก2ปี ต่อรักษาไม่ขาดเลยครบ2ปีแล้วภิกษุณีสงจึงสมมุติให้อุปสมบทได้นางสิกขามานานี้อยู่ในลำดับรองภิกษุณีลงมาเหนือสามเณรีวิกับนั้นโดยความก็คือทำให้เป็นสองเจ้าของวิกับมีสองคือวิกับต่อหน้าและวิกับรับหลังวิกับต่อหน้านั้นคือวิกัพต่อหน้าผู้รับ ว่าดังนี้อิมังจีวรังตุยหั่งวิกับเปมิแปลว่ากบเจ้าวิกับจีวอนผืนนี้แก่ท่านหลายผืนว่าอิมานิจีวราน้แทนอิมังจีวรังอยู่นอกหัตถบาทว่าเอตังแทนอิมังว่าเอตานิแทนอิมานิวิกับรับหลังนั้นคือ วิกัพให้สหธรรมิกรูปใดรูปหนึ่งผู้ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเปล่งวาจาต่อหน้าสหธรรมิกรูปอื่นว่าอิมังจีวรังอิท่านนามะสะวิกัพเปมิแปลว่าข้าพเจ้าวิกับจีวรผืนนี้แก่สหธรรมิกชื่อนี้ถ้าวิกัพแก่ภิกษุต่างว่าชื่ออุตระก็บอกชื่อว่าอุตรสะพิคุโน หรืออายะสมะโตอุตรัสะแทนอิทัณา น, นามัสะโดยสมควรแก่ผู้รับอ่อนกว่าหรือแก่กว่าแต่ในคัมภี์วิพังท่านว่าวิกัพอย่างหลังนี้ก็จัดว่าวิกัพต่อหน้าท่านแสดงวิกัพรับหลังนั้นเข้าใจยากท่วงทีดูจะเหมือนฝากภิกษุที่สองให้ช่วยวิกัพกับภิกษุที่สา แต่พูดไปพูดมาก็ไม่พ้นจากวิกับต่อหน้านั่นเองคือทำพิธีเสร็จกันในระหว่างสองรูปนั้นรูปที่สามไม่รู้ไม่เห็นด้วยจีวอลที่วิกับไว้แล้วผู้รับอย่างไม่ได้ถอนห้าไม่ให้ใช้สอยนุ่งหม่มด้วยศีขาบทนี้ถอนแล้วจึงใช้ได้คำถอนว่าอิมังจีวรังไม่หั่งสั้นตะกังปริพุนชวาวิสเชหิวา ยาท่าปัจจยังวากรโหหิถ่าผู้ถอนอ่อนกว่าว่าดังนี้อิมังจีวรังไม่หั่งสั้นตะกังปริพุนชถวาวิสัตเชทวายาท่าปัจจยังวากรธาความเดียวกันเป็นแต่ใช้แสดงเคารพแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าท่านจงใช้สอยก็ตามจงสละก็ตาม จงทำตามปัจจัยก็ตามคำถอนรับหลังไม่เห็นน่าจะมีในเรื่องวิกัปนี้มติของพระอาจารย์ทั้งหลายต่างกันบางอาจารย์เข้าใจว่าจีวรที่ถอนวิกัปแล้วกลับเป็นอัติเรกจีวรไปใหม่บางอาจารย์เข้าใจว่าคงเป็นวิกัปปิตาจีวร อ, อยู่นั่นเองพวกที่ถือว่าเป็นอัติเรกจีวรไม่เกินสิบวัน คงวิกัปอีกเสมอไปพวกที่ถือว่าเป็นวิกัปปิตาจีวร อ, อยู่นั่นเองวิกัปผลเดียวแล้วก็เป็นแล้วกันไม่วิกัปซ้าพิจารณาตามปาฐในสิกขาบทคาว่าไม่ถอนนั้นดูเหมือนจะหมายความว่าไม่ถอนจากวิกัปส่วนคำถอนในคัมพีวิพังผูกไว้เป็นคำถอนรับหลังว่า เต้ซังสันตะกังปริพุนชาวาเปแปลว่าท่านจงใช้สอยของเธอทั้งหลายก็ตามเปดูเหมือนแสดงว่าเธอทั้งหลายยังเป็นเจ้าของอยู่คำถอนต่อหน้าที่ผูกขึ้นตามนั้นก็ยังไม่ปล่อยความเป็นเจ้าของเหมือนกันความเข้าใจเสียว่าวิกัปก็เป็นวินญยกรรม คือทำไปตามธรรมเนียมไม่เด็ดเพ่งอัทรรชพิจารณาแต่เพยียงชนะจึงพาให้เข้าใจต่างกันไปเพ่งถึงอัทรรชการวิกับนั้นก็คือทําให้เป็นของสองเจ้าของคําว่าถอนนั้นในคราวแรกน่าจะหมายความว่าถอนจากความเป็นเจ้าของเดิมตกมาเป็นอติเรกจีวรจริงแต่เมื่อความเข้าใจของทั้งสองรูปนั้นว่า เป็นของวิกับยังมีอยู่คำถอนนั้นก็เป็นเหมือนคำอนุญาตให้ใช้สอยเป็นต้นนั่นเองไม่น่าจะมีอำนาจลบล้างความเป็นของกลางนั้นได้เพียงเท่านี้ก็ลงสนิฐานได้ว่าถ้าผู้รับวิกับถอนจากความเป็นเจ้าของจีวรที่วิกับไว้นั้นเป็นอัติรกจีวรไปใหม่ถ้าเป็นแต่อนุญาตให้ใช้สอยเป็นต้นคงเป็น วิกัปปิตาจีวรอยู่นั่นเองหากจะมีผู้สอดเข้ามาว่าถ้าไม่ปล่อยจากความเป็นเจ้าของชื่อว่าไม่เป็นอันถอนคำนี้ชอบอยู่ถึงอย่างนั้นใช้สอยจีวรที่ผู้รับวิกัปอนุ ญ, ญาตไว้ยังนับเข้าในฐานะว่าใช้สอยด้วยวิสาสะได้อยู่ไม่เป็นอาบัตสิขาบทที่10บว่าอันหนึ่งภิกษุใดซ่อนก็ดี ให้ซ่อนก็ดีซึ่งบาทก็ดีจีวอนก็ดีผ้าปูนั่งก็ดีกลองเข็มก็ดีประคดเอวก็ดีแห่งภิกษุโดยที่สุดแม้หมายจะหัวเราะเป็นปาจิตติเพราะในสิกขาบทระบุบริขารซ่อนบริขารอื่นจึงเป็นทุกกฎซ่อนบริขารของอนุปัสมบัติเป็นทุกกฎอย่างเดียวไม่ได้หมายจะล้อเล่น เห็นของวางไว้ไม่ดีช่วยเก็บไว้ให้ไม่เป็นอาบัต